รู้จริงแล้วจัดให้ตรงเส้นทางอาโศกผ่านสีลังกาและอินเดียใตย้สู่มอญสู่ไทยมีเสียงพูดทำนองว่าพระไตรปิฎกที่เรานับถือหรือบาลีนี้ในยุคเก่าเคยผ่านจากทินที่บัดนี้เป็นของพวกตาลีบันในอัฟก า, านิสถานดังที่ว่าอาัตมาไปอยู่ห่างไกลเมื่อทราบเรื่องก็ช้าแล้ว ต้องเร่งเขียนให้เสร็จไปทีหนึ่งก่อนเรื่องนี้พูดไว้แบบพลางก่อนพอเป็นเขาอย่างน้อยก็ได้ข้อสรุปคร่าวๆไว้รอแต่รายละเอียดขอเล่าเรื่องเก่านานแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2544ในช่วงที่พวกตาลีบันมีอำนาจเที่ยวทำลายพระพุทธรูปเป็นต้นแถบพามิยานในอัฟกานิสถานวันหนึ่งมีฝรั่งคนหนึ่งกับคนเอเชีย น่าจะเป็นคนสีลังกาฝรั่งนั้นจำว่าเป็นคนทางสแกนดิเนเวียพากันไปหาที่กุติเขาเล่าว่าเวลานั้นแถบพามิยานพวกชาวบ้านและพวกคนหากินพากันเข้าป่าไปตามถ้าที่พระสงฆ์เคยอยู่เมื่อพันพันปีก่อนขนคัมพีโบราณจำนวนมากมาขายคัมพีมากทีเดียวลงเรือไปสแกนดิเนเวียที่สแกนดิเนเวีย เขามีสถาบันวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่กุติที่วัดอัตมาสังกัด ก, ก็มีพา d i c t i o n a ร y ที่เขาทำกันมาแสนนานยังไม่เสร็จเพราะทำละเอียดอย่างมากถ้าได้ไปที่กุติจะเอาชื่อของสถาบันนี้มาบอกให้สถาบันที่นั่นรับซื้อคำภีเก่าที่ขายลงเรือไปแล้วเขาก็ศึกษาวิจัยกันแล้วก็พิมพ์ผลงานเรื่องคำภีที่ศึกษาวิจัยกันนั้นออกมา ก็จึงมีพระสูตรเป็นต้นที่เขาคัดออกมาสองคนนั้นถวายหนังสือที่ว่าแกอัตมาหนึ่งเล่มเป็นหนังสือใหญ่ขนาดกระดาษเ4ซีปกแข็งนาสักสองถึงสามร้อยหน้าพิมพ์อย่างดีเป็นหลักเป็นฐานซึ่งเป็นผลงานของสถาบันอัตมาดูคร่าวๆนานกว่าสิบปีแล้วจำสิ่งที่ควรเล่าไม่ชัดพอเมื่อไหร่ไปที่หนังสือก็จะดูอีกที แต่พูดง่ายๆว่ามีพระสูตรซึ่งต่างออกไปไม่ใช่อย่างของเราเช่นภาษาก็ต่างกันเนื้อความของพระสูตรก็ต่างกันตอนนี้สรุปไว้ก่อนว่าที่พูดง่ายๆเมื่อกี้นั้นก็ตรงกับเรื่องราวทางวิชาการที่อิงกับประวัติศาสตร์คือพระพุทธศาสนาแบบของเราที่ใช้ภาษาบาลีนี้ไม่ได้ไปผ่านดินแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย แต่ลงใต้มาทางสีลังกาในสมัยพระเจ้าอาโศกนั้นหลังสังคยานาครั้งที่สพระนิกายสระวาสติวาดบาลีเรียกว่าสัพพติกะวาทะได้แยกตัวออกไปและไปอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเจริญที่นั่นนิกายสระวาสติวาดของพวกสระวาสติวาทินนี้ได้เป็นจุดต่อที่จะเกิดมหายาน แล้วหายไปกับการเติบใหญ่ขึ้นของมหายาณรวมแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันที่จะได้เป็นสาระนอกจากเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบในแง่มุมบางอย่างเรื่องด้านอัฟกานิสถานและเรื่องนิกายสระวาสติวาดไว้แค่นี้ก่อนไว้ดูหนังสือเล่มที่ว่าข้างต้นนั้นแล้วให้เรื่องชัดค่อยสรุปอีกที